ก็วันที่13ตนะุลาคมนะ2559นะก็อีกไม่กี่วันก็จะก็จะออกศรรษาแล้วนะพรรษานี้ก็ผ่านมา <c oughs> ถือว่าอันนี้ความรู้สึกนะนะมันก็คือเร็วนะแต่ความจริงมันก็มันก็ล้วก็ไปทีละวันเป็นปกตินน่แหละนะ แต่ความรู้สึกบางทีพอเรามองอะไรย้อนหลังกลับไปเนาะมก็รู้สึกผ่านไปเร็วนะถ้าช่วงไหนเราไม่มีความทุกข์อะไรเนี่ยเวลามันก็จะรู้สึกว่าเร็วเหมือนกับชีวิตของเราก็เหมือนกันนะแป๊บ๊บแปบ๊ก็ผ่านมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วบางคนหกสิบปีแล้วเนะี่ยยังรู้สึกว่า ผ่านไปเร็วอยาจะมาเองก็แป๊บหบนึ่งก็ส6บหกปีแล้วล่ะที่บวชเลยนะมันก็มันก็รู้สึกว่าเหมือนผ่านมาไม่กี่ปีนี่ก็ความรู้สึกนะแต่ความจริงมันก็ค่อยๆผ่านมาทีละวันทีละเดือนทีละปีนะมันก็จนถึงวันนีนะ้นี่อีกก็ไม่กี่วันก็จะออกพรรษา แต่ช่วงนี้มันก็เรียกว่ามีข่าวนะที่ที่คนไทยก็ให้ความสนใจกันเยอะนะคือเรียกว่าอาการประชวนของของในหลวงนะก็เหมือนจะหนักลงจะหนักมากขึ้นเนาะก็อ่านถแถลงข่าวของสำนักพระราชวังก็ ก็หลายคนก็ก็วิตกกังวลนะมีหลายที่ก็ช่วยกันสวดมนต์ช่วยกันภาวนาบูทิศส่วนบูทิศก็เรียกว่าแฝ่แฝกกุศล น, นะให้กับในหลวงนะมีหลายที่ก็ภาวนานะขอให้ท่านหายจากอาการอาการพ้าปะชวนนะไปอ่านข่าวอ่าน แสลงการนะ้บางทีก็ฟังยากนะมีคำราชาศัพท์นะแต่จะมาลองจะพูดง่ายๆนะให้พวกเราเข้าใจนะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ตามข่าวตอนนี้ท่านก็ประชวรหนักนะก็หายใจเองไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะใส่ท่อช่วยหายใจนะแล้วก็ติด ติดเชื้อในกระแสเลือดนะก็ต้องได้รับยาปฏิชีวนนะแล้วก็ไตก็เหมือนจะไม่ทำงานแล้วก็ต้องต่อเครื่องฟอกไตตลอดเวลาแล้วก็อาการต่างๆรวมๆก็ยังไม่ดีขึ้นทำให้ชีพจรก็ก็ตกก็ต่ำนะก็ไม่ค่อยขึ้นนะชีพจรต่ ำ, ตำแล้วอันนี้ อาการรวมๆก็เหมือนท่านกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ตอบสนองในการรักษาแล้วเนะมื่อวานก็พระบรมวงศานุวงศ์แทบทุกพระองค์งก็เข้าไปเข้าไปเยี่ยมนะที่โรงพยาบาลศิริราชมันก็เป็นเหมือนมันก็เป็นเครื่องบอกได้อย่างหนึ่งว่าอาการท่านก็ก็หนักมาก ทุพโองต้องต้องไปเยี่ยมนะก็อันนี้ก็จากความรู้ทางการแพทย์นิดหน่อยที่พอรู้นะหรือว่าจากความรู้สึกด้วยนะนะอาจจะถูกไม่ถูกก็ไม่รู้นะแต่ก็บางทีพวกเราอาจจะต้องเตรียมตัวนะเตรียมใจอาจจะมีข่าวนะข่าวที่ อาจจะเป็นข่าวใหญ่เนาะในประเทศไทยไปในไม่เกินออกพรนษานี้แลวมั้งคงไม่กี่วันนี่แหละก็คงอาการของท่านก็คงทุดลงไปเรื่อยๆเยนาะก็คงเป็นข่าวที่อาจจะนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนไทยหรือว่าเป็นข่าวไปทั่วโลกในระดับหนึ่งก็เป็นการพูดให้เรา เตรียมตัวเตรียมใจไว้อะนะนะเพราะว่าบางคนเขาสวดมนต์หรือทำกิจกรรมต่างๆขอให้ท่านหายจากอาการพระประชวนซึ่งเราพูดกันจริงๆอะ่นะมันก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าท่านก็ชดาภาพมากแล้วเนาะแล้วโลกก็ดำเนินถึงขั้นนี้แล้วมันก็จะให้หายก็คงไม่หายหรอก แต่ก็ทำได้นะ okay. ก็คือว่าแต่จริงถ้าเราพูดถึงการการที่คนจะเสียชีวิตน่นเนาะบางทีมันก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติของทุกชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือน่าจะเป็นเรื่องการภาวนาหรือเรียกว่าขอให้พระองค์ไปอย่างอย่างสงบ มากกว่านะไปอย่างทรมานน้อยที่สุดมากกว่าจนะให้หายจากอาการเข้าประชวนเลยมันก็คงเป็นไปเป็นไปไม่ได้นะอืมคนทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแหละนะจะให้เราบางทีเราขออะไรนะบางทีคนไทยเม่ได้เราขออะไรเนี่ยบางทีมันบาง ท, มมทีมันไม่ค่อยสอดคล้องกับความเป็นจริงนะ บางทีเราจะขออะไรเราจะภาวนาเลยบางทีอธิษฐานนั่นนะ<ม>ก็อยากให้อยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงนะถ้าเราทำแล้วไม่ได้อยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงเลยนะ่ยมันก็อบางทีเราก็สบายใจที่เราได้ทํานะแต่บางทีมันก็เอาว่าเป็นจริงมันก็ไม่ค่อยตรงความเป็นจริงเท่าไรนะ<ม>าหร่เฮ้หายจากการเข้าไปชั่วเลยนะก็ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ให้อาการท่าน เรียกว่าไ ม, ไ, มไม่ไม่หนักมากแล้วก็ประคองจิตใจนะไปอย่างสงบได้เลยมันก็อาจจะเป็นความเป็นจริงมากกว่าคือการแผ่บุญกุศลนะให้ท่านเรียกว่าได้รับพลังพลังใจจากพวกเราไปช่วยกันเนี่ยมันก็จ ะ, จะทำได้มากกว่า แต่จริงก็มีครูบาอาจารย์บางรูปนะท่านก็พูดเป็นทํานองเหมือนในหลวงเราเนี่ยก็เหมือนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยแหละนะท่านบำเพ็ญตนเป็นโพธิสัตว์นะถ้าดูในชีวิตจริงๆท่านก็เป็นแบบนั้นนะเป็นโพธิสัตว์ที่ที่ช่วยเหลือชาวไทยหรือว่าบางทีก็ช่วยเหลือในโลกนี้ด้วยอีกหลายอย่างเนาะโดยที่ว่า ทรงไม่ไม่เหน็ดเหนื่อยนะพระวร ก, กายเลยนะในขณะที่แข็งกรดงก็ทำงานหนักนะแล้วก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนะอย่างพอเพียงอย่างเรียกว่าไม่ไม่หลงละเริงกับความสุขความสบายทางโลกนะพระองค์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเป็นโหติสัทที่บังเพนมารมีนะ ในการเรียกว่าสะสมบารมีของท่านนะพระองค์ก็อาจจะอธิษฐ า, านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะก็ไม่รู้ได้ <c oughs> รับการพยากรหรือยังก็ไม่รู้อนะก็ว่าตามครูบาอาจารย์พูดมานะแต่ก็ในความหมายการมาเพ็นตนนะการมาเพ็นบารมีก็คือโพธิสัตว์นะเพื่อเจ็บบรรลุธรรม จริงบุญกุศลของท่านมีมากอยู่แล้วแหละบุญกุศลที่เราจะจะอุทิศให้นะ่ะก็เป็นแค่ส่วนนิงนิดนิ ด, ด, ด, ด, ดหน่อยนะแต่พระองค์ท่านก็มีบุญกุศลของท่านเยอะแล้วนะแต่เราก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเราทําด้วยความทําด้วยความเต็มใจนะแล้วก็ทําด้วยความหวังดีจริงจริแล้วก็ทําได้นะทำให้กับพระองค์ก็ได้นะนะก็ถือไปเป็นช่วง ย่อมเหมือนเป็นวาระสุดท้ายก็ว่าได้เนาะอย่างไม่กี่วันเนี่ยก็เราก็สามารถทำบุญภาวนานะถือว่าเป็นการเป็นพระราชจกุศนก็ว่าได้นะในรอบนี้แต่อีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่ว่า่ะเราก็ต้องเผื่อใจเผื่อใจในเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราจะได้ไม่ ไม่ตกใจแล้วก็ไม่ตกใจก็จะได้ไม่ทุกข์ใจนะหรือตกใจก็ตกใจนิดหน่อยทุกข์ใจก็ทุกข์ใจนิดหน่อยนะการเผื่อใจการเตรียมใจเตรียมเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะในทุกเรื่องนะแม้แต่ข่าวที่อาจที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ก็ดีหรือว่าในชีิตประจำวันของเราเกิลอะไรเรื่องก็ดีนะอะไรที่เราเผื่อใจไว้เนะี่ยมันจะช่วยให้เรา ตื่นตรนกตกใจน้อยลงนะแล้วก็ความทุกข์มันก็จะน้อยลงนะทุกอย่างเลยนะถ้าเราเผื่อใจไว้นะ่มันอาจจะเกิดขึ้นได้วันในวันหนึ่งนั่นแหละนะพอเกิดขึ้นมาแล้วเราก็อ้อมันใช่แล้วนะเราเคยเราเคยเผื่อใจไว้แล้วนะนะอย่างสังเกตไหมเวลาเรามีญาติที่ป่วยแล้วก็ ป่วยเรื้อรังเนาะอาจจะเป็นมะเร็งรักษามานานแล้วนะอาจจะเป็นอมตะพฤกษ์อมพาตรักษามานานแล้วนะอย่างเช่นหลวงพ่อคำเขียนก็ดีหรืออาจารย์กพนก็ดีเลยเนาะท่านก็แสดงอาการอาการาพาดอาการป่วยม า, มานานเนาะพอลู้สึกลู้หาหรือคนที่รู้ข่าวทนะราบข่าวตั้งแต่ตอนเช่นป่วยก็อาจจะรู้สึก รู้สึกตกใจนิดนึงรหรือบางคนก็ตกใจมากบางคนก็ภาวนาขอให้ท่านหายให้ให้ท่านดีกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแต่พอเราได้ดูแลเดี๋ยวเราได้เห็ น, นเห็นความเป็นไปของโรคนะนะมันก็มีความเสื่อมลงเรื่อยๆหมายถึงว่าโรคพัฒนาขึ้นร่างกายก็เสื่อมลงเรื่อยๆมันก็เกิดเป็นการเผื่อใจไว้เนี่ยเปิดเป็นการเตรียมใจว่า เออมันคงไม่หายแล้วนะมันคงออรักษาไม่ได้แล้ววันในวันหนึ่งก็ต้องไปแน่นอนพอถึงวันที่ท่านไปนะนะพวกเราหลายคนก็ก็เตรียมใจได้ก็ก็ทาใจได้ก็ไม่ร้องไห้ก็ไม่ทุกข์ใจมากนะก็เพราะว่าเราเผื่อใจไว้นะเห็นท่านป่วยมานานเราก็เผื่อใจไวนะ้พอถึงที่วันท่านไปก็เราก็เลยไม่ทุกข์มาก ชีวิตเราก็เหมือนกันนะห ล, หลายเรื่องเราก็ต้องเผื่อใจไว้นะ่แต่มาเองมีเหตุการณ์หนึ่งนะตอนตอนแต่ก่อนนะอา่าเราก็เผื่อใจไว้แต่ตอนมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เราไม่เผื่อใจไว้มันก็ตกใจนะมีเหตุครั้งหนึ่งตอนเป็นวัยรุ่นนะมีคนมาบอกว่าอารถของพ่อของแม่คว่ำนะ เขาไปซื้อซื้อหินอ่อนในประมาณนะขับกันมาแล้วคว่ําล้อบดแล้วก็คว่ํำนะเราพอไม่ได้เผื่อใจไว้นะก็ตกใจนะก็ตกใจนตกใจก็กังวลใจนะแต่เหตุการณ์นั้นก็เหตุการณ์แรกตัวนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกเออพอเราไม่เผื่อใจอะไรไว้มันก็ตกใจกังวลใจแต่ก็ผ่านมาอีกหลายปีนะมันมีพอจะเองขับรถเรา รอรถข้างหนึงอะเรารู้แล้วมันมันน็อตมันไม่ดีนะอยากจะเปลี่ยนแหวออู่หลายอู่แล้วแต่บางอู่ก็ไม่พร้อ ม, มก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะก็รู้สึกว่าเอออยากจะเปลี่ยนพอดีแล้วก็เผื่อใจไว้นะเออพอถึงคานหนึ่งขับมาถึงอำเภอแกล้งคอเนะี่ยรอรถมันก็หลุดนะน็อตมันคงขาดรอหลังก็หลุดนะ เรารถจะวิ่งแซงรถไปเราก็เผื่อใจไว้แล้วไงก็ทําให้เราประคองรถมาจอดริมฟุตบาทได้อย่างปลอดภัยะก็เออเพเราเผื่อใจไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะพอมันเกิดขึ้นจริงมันก็ทําให้เราก็ประคองสติแล้วก็ประคองรถนะให้ตัวเราเองก็ปลอดภัยแล้วก็คนที่นั่งอยู่ในรถก็ปลอดภัยนี่คือการ การเตรียมตัวเตรียมใจนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะการเพราะว่าการเตรียมตัวเตรียมใจจริงคือเนะี่ยเรามันจะเป็นทาให้เราตั้งสติได้ได้ดีขึ้นนะการมีสติเนี่ยนจะทําให้เรายอมรับความจริงได้ได้เร็วนะอย่างที่ว่าบางทีคนไทยเราเนะี่ยหลายคนเนะ่ะบางทีอธิษฐานหรือขออะไรบางอย่างเนะี่ย บางทีไม่ค่อยอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงนะอย่างเช่นขอให้เต็มขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอะไรนะขอให้อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บนะขอให้อย่าได้มีปัญหาอย่าได้มีความทุกข์อะไรนะ <c oughs> นะขอให้อายุนานๆ น, นะบางทีพอเราไปขอเ น, ะนะนี่ยนะบางทีพอเรามาปฏิบัติธรรมนะบางทีมันก็ติดนะบางคนก็ขอให้อย่า อย่าฟุ้งซ่านนะขอให้อ่อเีอยว่าขอให้สงบเลยนะ่อเลาปฏิบัติก็จะขอให้สงบขอให้รู้ทรรมเร็วนะบางทีไอ้บางค น, นที่มากคุ้นเคยกับการขอเลยนะขอแบบที่ไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงนกะเช่นจะไม่ให้เราแก่ไม่ให้เราเจ็บไม่ให้เราตายมันก็เป็นไปไม่ได้นะ หรือในชีวิตจะให้มีแต่ความสุขไม่เจอความทุกข์เลยนะมันก็เป็นไปไม่ได้คือในชีวิตเนี่ยจะไม่ให้เจอปัญหาเลยนะให้มีแต่คนชอบไม่มีคนชังเลยนะมันก็เป็นไปไม่ได้นี่อันนี้คือเรียกว่าขอไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงนะพอเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยมันก็เลยเหมือนรู้สึกเหมือนต้องการปาฏิหารต้องการโชคต้องการอะไรที่มัน สิ่งสัสิทธิ์มาโดนบาดนดาให้มันให้มันสาเร็จแบบนี้นะแต่จริงพระพุทธเจ้าเองท่านท่านให้ความหมายของคำอธิษฐานไม่ใช่การขอที่มันมันมันไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่อยู่ในฐานขอเป็นจริงนะแต่สิ่งที่อธิษฐานจ ร, จริงคือความตั้งใจที่จะทำนะให้ความจริงอันสูงสุดปรากฏขึ้น คว่าความจริงอันสูงสุดหรือวความจริงอัปเสดปรากฏขึ้นคืออะไรก็คือว่าแม้ในท่ามกลางความเจ็บป่วยในท่ามกลางปัญหาอุปสรรคในท่ามกลางความทุกข์มันยังมีความจริงอันสูงสุดความจริงอันปะเสดที่มันมันสามารถปรากฏได้ก็คือความไม่ทุกข์ แล้วความไม่ทุกเนี่ยมันอยู่ในในทุกสภาวะอาการซึ่งเราสามารถทำได้นะคือความไม่ทุกเนี่ยไม่ใช่การขอนะแต่เป็นการกระทำนะในท่ามกลางความเจ็บป่วยนะเราสามารถที่จะไม่ทุกขก็ได้ในท่ามกลางปัญหาเราก็สามารถที่จะไม่ไม่ทุกขก็ได้นะไม่เป็นปัญหาก็ได้นะหรือในท่ามกลางการสูญเสียนะ บุคคลอันเป็นที่รักที่พอใจหรือสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจแล้วก็มีความไม่ทุกข์ที่ก็สามารถที่จะตัดขาดได้เหมือนกันก็จะเรียกว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นในโลกนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยคืออะไรความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่ แล้วก็มีความจากไปตายไปอันนี้คือเหตุแล้วก็ปัจจัยที่มันต้องเกิดแน่นอนนะแต่สิ่งสําคัญคือการเตรียมใจของเราเนี่ยแหละนะเตรียมใจเผื่อไว้นะเผื่อไว้ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะเราจะได้ยอมรับมันได้นะเหมือนมันจะมีบทสวดบทเนิ่์ที่เรียกว่าบทอภินหยปัจเจเบกเนาะ เรามีความเรียกว่ามีความแก่เป็นธรรมดานะจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้นะจะต้องเนี่ยประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเนี่ยเป็นธรรมดานะมีกรรมเป็นของของตนนะกรรมก็ต้องส่งผลตาม ตามการกระทำของเรานั้นนี่คือพอเราพิจารณาบ่อยๆนะเมื่อเกิดเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาเยือนนะเราก็ทำใจได้กรรมจะส่งผลแบบไหนนะที่เป็นวิบากกรรมนะในชาวพุทธจริงๆนะยอมรับวิบากกรรมด้วยความเต็มใจนะแต่บางคนที่ยังไม่ค่อยเข้าถึงเนะี้ยก็จะโทษวิบากกรรม ทำไมต้องทำไมเราต้องเจอปัญหาแบบนี้ด้วยทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมเราจะมีแต่ความสงสัยมีแต่ทำไมแล้วก็ไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่นักภาวนาจริงๆนะยอมรับมันเลยนะอะไรเกิดขึ้นน่ยยอมรับนะตรวจพบเป็นมะเรงะ็งเหรออ้าวยอมรับมันเลยนะเอยอมรับมันนะประสบอุบัติเหตุเหรอ่ะ ยอมรับมันเลยนะเจอข่าวร้ายอะไรก็จะแต่อะยอมรับมันก่อนคือพอเรายอมรับได้นะก็คือการที่เราทําใจนะทาใจแบบไม่ต่อต้านความจริงละนะสติมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นแหละนะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเนะ่สติมันจะไม่เกิด น, นะแต่ถ้ายอมรับนะสติมันจะเกิดขึ้นมาหรือที่จริงจะเรียกว่ามันมีสติก็ได้มันถึงยอมรับนะถ้าไม่มีสติก็ยากที่จะยอมรับนะ พอมันยอมรับความจริงได้เนะี่ยมันก็จะใช้ปัญญานะปัญญาเข้ามาแก้ปัญหาปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง mm. เช่นเราป่วยนะพอเรายอมรับอะป่วยแล้วไม่เป็นไรนะจะรักษาแบบไหนเนะี่ยก็วางแผนกันใช่ไหมอือหรือคนรักเราจากไปอ่ะจากไปแล้วอะไม่เป็นไรจะจัดการงานศพย่างไรเนะี่ยเราก็ใช้ใช้ปัญญากแก้ปัญหา ได้ยินข่าวไฟไม่บ้านอ่ะได้ยินแล้วอะไม่เป็นไรตั้งสตินะว่าจะไปดับไฟแบบไหนไปเอาของอะไรออกก่อนเนี่ยมันก็คือเรื่องของสติทั้งนั้นเลยนะออแต่ถ้าคนตกใจนะไม่ยอมดับเนี่ยมันจะขาดสติพอขาดสติแล้วก็จะทําอะไรไม่ถูกเหมือนบางคนไฟไม่บ้านนะทําอะไรไม่ถูกนะไปคว้าอะไรมันต้องออกมาก่อนนะหรือก็ตกใจนะทําอะไรไม่ถูก หรือหลายคนนะพอคนรักจากไปก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะจะจะโทรศัพท์บอกใครก่อนจะแจ้งใครก่อนจะเตรียมอะไรก่อนบางทีเบอร์ไปเลยนะต้องให้คนอื่นมาช่วยจัดการจะมีนี่คือพอคนไม่ได้เผื่อใจมันก็จะตกใจแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกแต่สติที่เราฝึกเนี่ยนะมันจะมาช่วยเราแน่นอนตอนที่เราเจอกับเรื่องราวที่มัน ที่ไม่คาดฝันก็ดีนะหรือเรื่องราวที่เราก็เตรียมใจไปแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งทําใจได้เร็วเลยนอยิ่งยอมรับมันได้เร็วเลยเรียกว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่นะเรายอมรับมันได้นะเมื่อเรายอมรับได้แล้วมันจะไม่ทุกข์สิ่งต่างๆเนมันแค่เรื่องการการยอมรับด้วยความเข้าใจเนะยอมรับด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่ยอมรับแบบ ยอมแบบจําเป็นต้องยอมรับนะแต่ยอมรับด้วยความเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นความจริงนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริงๆนะไม่ต้องไปโทษดินฟ้าอากาศไม่ต้องไปโทษใครนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับมันแต่เราไม่ได้ยอมจำนนนะไม่ได้ยอมแพ้ไม่ใช่อ่อนแอการยอมรับความจริงนะเป็นความเข้มแข็งนะแล้วเราก็ไม่ยอมแพ้ แต่ถ้ามันเป็นปัญหาเราก็แก้ไขถ้าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ทำใจอย่างเดียวตายไปแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้ก็ทำใจอย่างเดียวก็ทำได้เพียงแค้จัดการต่างๆให้มันดีขึ้นนี่คือเรื่องเรื่องปฏิบัติทําจริงๆคือเรื่องเนี่ยเรื่องการเรื่องการทำใจแหละนะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะเรา มีสติได้เร็วไหมนะเราทําใจได้เร็วไหมนะมันก็เป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องตรวจสอบตัวเองอย่างดีเหมือนกันนะนะว่าว่าเราภาวนาในระดับไหนแล้วนะเนะมื่อเกิดปัญหาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยขึ้นมามันจะทําให้เราเห็นตัวเองว่าเราภาวนาถึงไหนละนะบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะว่าใครมาปฏิบัติทํานานกว่ากันนะใครอยู่วัดนานกว่ากันนะ บาทีคนที่เขาเหมือนไม่ได้เข้าวัดไม่ได้สนใจเรื่องปฏิวัติธรรมนะแต่บางคนพอเจอปัญหาเจอเรื่องต่างต่างเนี่ยเขาเขาตื่นตระหนกตกใจน้อยแล้วก็แบบยอมรับได้เร็วนะแก้ปัญหาได้อย่างมีสติก็มีนะก็มีเยอะแต่บางคนอยู่วัดเนะี่ยแต่พอเกิดเหตุการณ์อะไรงอ่างตกใจทําอะไรไม่ถูกทุกเนะี่ยกับเรื่องเล็กเลน้อยนปล่อยวางไม่ได้นะก็มีเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ คือมันเป็นเรื่องแต่ละบุคคล น, นะไม่ใช่ว่าเรื่องว่าคนคนนั้นเขาเขาอยู่ในสถานะแบบไหนเขาทําอะไรอายุเท่าไหร่บางทีไม่เกี่ยวนะออมันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเลยที่ที่เป็นใจที่ฝึกไว้ดีเนาะนะใจที่ฝึกไว้ดีก็จะนํามาสร่งความสงบสุขนะมาให้กับตัวเรานะงนั้นเราเองก็ต้องหมั่นฝึกใจนี่แหละนะนะเพื่อให้ ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตนะไม่ว่าความจริงนั้นจะเจ็บปวดขนาดไหนความจริงนะก็เราต้องพัดพากจากใครก็แล้วแต่นะแต่มันก็คือความจริงที่เราที่มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนใครก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้นะว่ามันเป็นไปตามตามเหตุปัจจัยนะของการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นี่ก็คือสิ่งที่ ก็เรีกว่าชิญชวนเรานักส่วนหนึ่งก็เป็นการภาวนานะเป็นถวายเป็นพระราชกรสนด้วยส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเปิดใจนะยอมรับในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นมานะในวันในเร็ววันนี้เนาะเราก็จะได้ไม่ตกใจไม่ไม่ทุกข์ใจนะแล้วอีส่วนหนึ่งก็เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจกับ เรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยว่าจะต้องเจอแน่นอนกับเรื่องต่างๆนะแต่ถ้าเรามีสตินะมีสัพชัญญะมันก็จะเกิดปัญญานะเกิดการปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้นะใจก็จะเราก็จะใช้สติปัญญาแก้ปัญหาอย่างไม่ทุกขนะนี่คือคือการปฏิบัติธรรมจริงๆนะต้องนี่แหละเป็นเหมือน เรื่องราวต่างๆก็เป็นเหมือนบทบททดสอบนะให้เรารู้ว่าเราได้เกตอะไรนะผ่านขนาดไหนแล้วเนะนะเป็นบททดสอบตัวเราเองนะอืเพื่อเราจะได้พัฒนาตัวเองให้มันยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะเนะพราะภาวนาแปลว่าพัฒนาคํานะว่าภาวนาคือพัฒนาพัฒนาจิตนะพัฒนาความเข้าใจพัฒนานะความเห็นที่มันถูกต้องอะไรนะพัฒนา สติพัฒนาสมาธิพัฒนาการฝึกกายฝึกวาจานะให้มันดีขึ้นเลยนะนี่คือภาวนาจริงคือพัฒนาเราทำอะไรก็แล้วแต่ให้เราพัฒนาเนี่ยข้างในของเราเนี่ยแหลนะนี่คือการภาวนาทั้งนั้นเลยนะทุกอย่างทุกการกระทำ <c oughs> คือการภาวนาทั้งนั้นนะักถ้าเรามองจริงๆก็จะเห็นแบบนี้นะก็ฝากไว้ครับนะ <c oughs>